2วันก่อนก็มีกิษทุนละไปกรุงเทพก็พอดีไปเจอเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ว่าได้เหตุการณ์เหล่านี้มันก็ชวนให้ได้ได้คิดขึ้นมาในเรื่องของ ความไม่เที่ยงอย่างคนคนหนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจมากมายเรียกว่าทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศแต่ว่าวันนี้ก็กลายเป็นคนพัดบ้านพัดเมืองไปแล้วไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้ดังใจนึกแล้วคนซึ่งเคยมีทรัพย์สินมากมายแต่ว่า ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกยึดทรัพย์เมื่อไหร่คนซึ่งเคยมีบริวารมากมายไม่ว่าในฐานะนายกหรือวาระธนตรีแต่ว่าตอนนี้ตัวเองก็เอาตัวแทบไม่รอดคนที่เคยเป็นบริษัทบริวารก็อาจจะไม่สนใจแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะให้คุณให้โทษแก่เขาได้ หรือว่าสื่อมนลชนที่เคยแส่ซองสารเสริญหรือเชียร์ตอนนี้ก็หันหลังให้แล้วอันนี้มันพิจารณาแล้วก็ชวนให้ปรุงแล้วก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกแล้วก็ชีวิตนี้มันหาความแน่นอนไม่ได้ความผันผวนแปรปรวน พร้อมที่จะเข้ามาคุคามความสุขความสำเร็จของใครก็ได้ไม่เลือกแม้แต่คนที่มีอหนาจสูงสุดอันนี้ก็ตรงกันหลักธรรมะที่ว่าทุกสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเมื่อไปถึงจุดสูงสุดก็ต้องคืนสู่สา ม, มัญนใ่เราพิจารณาแล้วก็ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราเหตุ <Hey. S 1> การณ์เหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของของคนอื่นอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองเหตุการณ์เหล่านี้มันทาให้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมปอย่างที่เมื่อสองปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นมา ดินแดนที่มันเคยเป็นสวรรค์ที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวคนมั่งคนมีก็ยอมเสียเงินคือละหลายหลายหมื่นเพื่อที่จะไปพักแต่แล้วมันก็กลายเป็นสุสานฝังเข้าแล้วก็ครอบครัวหรือคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายจนบางคนนี่ก็หาศพไม่เจอด้วยซ้ำ สวรรค์มันกลายเป็นสุสานกลายเป็นนรกในชั่วฉับพลัน ท, ท, ทั้งๆที่ท้องฟ้าก็โปร่งแดดใสทะเลก็งามแต่ว่าเพียงชั่วแค่สิบห้านาทีมันก็เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นจงกันข้ามเปลี่ยนสวรรค์ให้กลายเป็นนรกไม่ว่าธรรมชาติหรือว่า มนุษย์เราก็สามารถทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาใคร่ควรวนเหตุการณ์เหล่านี้แล้วนะก็ขอให้น้อมเข้ามาใส่ตัวเราว่าในความเปลี่ยนแปลงผันผวนอาจจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไม่ทันตั้งตัวหรืออย่างกระทันหันก็ได้ ไม่ว่าแล้วก็ตามที่ขึ้นสูงแล้วก็ต้องตกลงมาคืนสู่สามมัน้นนเราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีตำแหน่งฐานะที่สูงแต่ว่าในชีวิตของเราในช่วงชีวิตของเรามันก็จะมีช่วงที่เราขึ้นสูงแต่แล้วก็สูงไม่ได้ตลอดก็จะต้องลดต่าลงมา อย่างเช่นสุขภาพร่างกายของเรามันก็มีจุดที่สูงสุดคือจุดที่สมบูรณ์พร้อมพลานามัยเข้มแข็งแต่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตกต่ำลงไปความเก่งความสามารถของเราสติปัญญาของเราเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าในช่วงชีวิตของเราก็จะมีจุดที่เป็นจุดสูงสุดที่เมื่อคืนถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องลงต่ำ รูปร่างสวดทรงที่อาจจะสวยงามมันก็มีจุดสูงสุดของมันเหมือนกันเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ตกลงมาการที่ขึ้นจุดสูงสุดนี่อาจจะไม่ยากเท่ากับการที่จะลงมานักไต่เขาเขาจะรู้ดีว่าเวลาขึ้นเขาเหนียงเช่นเขาเอเวอร์เรสต์เนี่ยมันยากก็จริงนะ การที่จะไต่ขึ้นไปให้ถึงยอดซึ่งอยู่ห่างจากระดับน้ํำทะเลถึง8กิโลต้องใช้การเตรียมพร้อมเรียกว่าเป็นเวลาหลายอาทิตย์เพื่อที่จะปรับร่างกายให้เข้ากับอากาศที่มันเบาบางแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า้การขึ้นไปถึงยอดนั้นมันไม่ยากเท่ากับเวลาลงในส่วนใหญ่คนที่ตาย จากการปรีนเขาเอเวอเรสต์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็มาตายตอนขาลงส่วนหนึ่งก็พ่อไปเพลินอยู่บนข้างบนขึ้นไปอยู่บนยอดแล้วก็ไปเพลินไม่รู้เวลาที่จะต้องลงมาเพราะว่าอากาศบนยอดเขานั้นเนี่ยมันพันผว น, นมากแปรเปลียย่างรวดเร็วถ้าลงมาไม่ทันนะก็ตายโดนที่มะกรกด หรืว่าโดนพายุถลม่มหรือว่ามืดเสียก่อนก็นหนาวตายนการขึ้นไปข้างบนการที่จะตายระดับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนี้มันยากก็จริงแต่ว่าให้ตอนที่ยากกว่ากคือตอนลงและคนส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปเมื่อประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าเมื่อชีวิตได้ขึ้นไปจุดถึงจุดสูงสุดแล้วนี่มักจะไม่ได้เตรียมพร้อม หรือเตรียมตัวว่าจะลงมาอย่างไรเช่นคนเราตอนหนุ่มตอนสาวก็มีสุขภาพดีมีพลานามัยดีแต่ว่าพอเริ่มที่จะร่วงโรยอ่อนแอทำใจไม่ได้หรือคนที่เคยมีรูปร่างหน้าตาะ ส, สวยหล่อเหลาแต่ว่าพอผิวหนังเริ่มเหี่ยวเริ่มมีกระผมล่วง ทำใจไม่ได้พยายามที่จะทวนกระแสฝืนกระแ ส, ะ แ, สแล้วก็ทุกข์กับความกับความแปรเปลี่ยนของร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราไม่สามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมได้ตอนที่ร่างกายจเจริญตอนที่ อยู่ในภาวะที่เจริญหรือขาขึ้นเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาหรืออาจจะเพลินกับภาวะขาขึ้นแม้ว่าในทางลู่ปรรมหรือนามธรรมาเช่นความเสเร็จในงานการความเฉลียวฉลาดสุขภาพภารณามัยหรือว่าการเจริญในเรื่องของทรัพสมบัติ อันนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตรียมใจที่จะรับมือกับชีวิตในช่วงขาลงเมื่อร่างกายเริ่มไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่สามารถสมบุกสมบันได้เหมือนก่อนเมื่อผิวหนังหรือว่าส่วนทรงเริ่มแปลเปลี่ยนไป เมื่อสติปัญญาก็เริ่มเสื่อมถอยที่เคยจำได้แม่นก็จำไม่ค่อยได้แล้วและส่วนใหญ่ก็จะทำใจไม่ค่อยได้อันนี้เรียกว่าไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในช่วงขาลงเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นนั้นเรียกว่าเพลินการเพลินเช่นนี้เราเรียกว่าประมาท ความประมาทนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากโดยเฉพาะเมื่อประสบกับความสําเร็จหรือในช่วงของภาวะที่จเจริญในช่วงขาขึ้นไม่ว่าในเรื่องสุขภาพไม่ว่าในเรื่องสติปัญญาไม่ว่าในเรื่องของพลานามัยไม่ว่าในเรื่องของยศทรัพย์อํานาจรวมทั้งคําสรรเสริญด้วยเวลาเราได้รับคําสรรเสริญ น, นี่เราก็เพลิน แต่เวลาถูกตำหนิถูกวิจารณ์ก็ทำใจไม่ได้หรือว่าเคยอยู่ในช่วงที่มีคนเขารบนำนาถือตาอาจจะเพราะมีอำนาจหรือเพราะเหตุใดก็แล้วแต่หรือมีชื่อเสียงเช่นเป็นดาราแต่ว่าเมื่อความนิยมถดถอยไม่มีคนสนใจไม่มีคนที่จะรู้จักหรือทักทาย ก็ทำใจไม่ได้เนี่อการที่คนเราจ ะ, ะเผชิญกับชีวิตในช่วงขาลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราประมาทกับชีวิตในช่วงขาขึ้นในช่วงที่อยู่ในขั้นความเจริญอันนี้มันเกี่ยวข้องกับสติมากเลยเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยแม้เราจะอยู่ในช่วงของความเจริญสติก็จะเตือนเราว่า เมื่อจเจริญแล้วนะมันก็ต้องมีเสื่อมเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงเมื่อมีสารเสริญก็มีนินทาเมื่อได้แล้วก็ต้องมีการเสียเมื่อมีการพบแล้วก็ต้องมีการพลาดเมื่อเราอยู่ในช่วงที่กําลังจเจริญช่วงที่ขาขึ้นหากเรามีสติเราก็จะไม่เพลินไปกับ อาการที่เราเรียกฝ่ายบวกโลกธรรมฝ่ายบวกอิทธาลมอิทธาลมก็คือโลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ยศได้ทรัพย์ได้รับคำสรรเสริญหรือว่าประสบสุขเพราะเราก็เตรียมเมื่อสติได้ทาให้เราเระมัดระวังว่าสักวันหนึ่งมันก็จะลงและลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าลงแบบไหนลงแบบ ลดลงมาหวบภาพกล่าวลูดนะอย่างชะตากรรมของผู้ น, นําบ้านเมืองเรามันแตกต่างเพียงแค่วันเดียวจากสิบเก้าเป็นยี่สิบกันยานี้มันเหมือนฟ้ากระเหวอันนี้เราลดลงมากล่าวลูดแต่บางทีมันก็ค่อยลดต่ำลงมาของแบบนี้มันขึ้นอยู่เหตุปัจจัย เหตุปัจจัยบางอย่างเราก็คุมได้เหตุปัจจัยบางอย่างเราก็คุมไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องรู้จักเตรียมตัวที่จะให้เหตุปัจจัยนี้มันไม่ไปในทางเสื่อมมากนะัก mm. เช่นสุขภาพแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็เตรียมตัวที่จ ะ, ะเผชิญเพื่อป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหรือเตรียมป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ประสบกับความสูญเสียเช่นป้องกันให้บ้านเรานะ มีสัญญาณการขโมยมีเครื่องมือดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้แต่ว่ามันก็ไม่แน่การป้องกันการเตรียมตัวมันต้องทำสองอย่างคือเตรียมภายนอกกับเตรียมภายในเตรียมภายนอกก็คือหมายถึงการเตรียมเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมกับร่างกายหรือเกิดความเสื่อมกับทรัพย์สมบัติหรือว่าเกิดความเสื่อมกับ อาชีพการงานของเราแต่ว่าอีกส่วนหนึงคือต้องเตรียมภายในคือเตรียมใจด้วยแะ เ, เตรียมใจนี่ก็มีความหมายหลายอย่างนะเตรียมใจอย่างง่ายๆก็คือแล้วลึกไว้ว่ามีสติว่ามันอาจจะเสือ่อมนึกว่าอยู่เสมอรวมทั้งนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกมรณสติ การเราเึือนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นการราเรื่องนึกถึงบ่อยๆก็ทำให้เราคุ้นเมื่อคุ้นแล้วเกิดมันกลายเป็นจริงเท่านะก็จะทุกน้อยลงแต่เท่านี้ก็คงจะไม่พอนะนะมันต้องเตรียมใจมากไปกว่า น, นั้นก็คือการรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วนะ มันก็ไม่ทุกข์เมื่อต้องสูญเสียพัดพลาด ค, ความสูญเสียพัดพรากเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไปยึดมนันเอาไว้เราไม่ยอมปล่อยของบางอย่างหายไปแล้วเสียไปแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะใจยังไปยึดมันเอาไว้ยอยู่ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ยังไปนึกเสียดายยังไปนึกอะไรไม่ว่าจะเป็นของหรือเป็นคนที่เรารักที่เราผูกพันด้วยเมื่อถึงเวลาเขาจากไปหรือเมื่อถึงเวลาของนั้นสูญเสียไปก็ต้องพร้อมที่จะปล่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วเราไม่สามารถจะอยู่กับอดีตได้ต้องอยู่กับปัจจุบันเรื่องการปล่อยการวางนี่เป็นเรื่องสำคัญ แลไม่ใช่มาปล่อยตอนที่ประสบความสูญเสียนะอันนั้นมันช้าไปต้องเริ่มปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราประสบความสำเร็จปล่อยตั้งแต่ช่วงที่เราอยู่ในภาวะขาขึ้นอย่างเช่นเขาสารเสริญเราหรือว่าประสบความสำเร็จนะเราก็ไม่ยึดติดกับความสำเร็จมากนักเราก็ไม่ยึดติดกับคำสารเสริญ ไม่ยึดติดกับร่างกายที่กาลัง <c oughs> กาลังเจริญนะกาลังงดงามกําลังแข็งแรงเพราะถ้าเรายึดมันเมื่อไหร่เราก็จะหวังมาลึกๆว่ามันจะต้องเป็นไปตามใจเราไม่ต้องอยู่กับเราไปตลอดกาอนน ล, อ, าลอันนั้นแหละคือความหลงอันนั้นแหละคือความโง่เพราะว่า สิงทั้งปวงนั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามใจเราได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกแต่เมือเ่อใดก็ตามที่เราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงเรากำลังทำลายตัวเองเรากำลังเพาะเชื้อแห่งความทุกข์ให้กับตัวเราและเราจะโทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเราเองเพราะว่า โลกหรือว่าธรรมชาติเนี่ยก็กแปเปลี่ยนอย่างนี้ไปนานแล้วมันเป็นธรรมดาของเขามีเช้าแล้วก็มีมืดมีอาทิตย์ตกก็มีมีอาทิตย์ขึ้นก็มีอาทิตย์ตกหน้าร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็เปลี่ยนเป็นหน้าหนาวจากหน้าหนาวก็มาเป็นหน้าร้อนใหม่ต้นไม้ก็เติบโตจากต้นกล้า สูงใหญ่เสร็จแล้วก็ค่อยๆร่วงเลยล้มคลื่ลงมาก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วกลายเป็นปุย๋ยแล้วก็หายไปนี่คือธรรมดาของโลกมันเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราไปพยายามห้ามไปขวางกระแสน้ำเอาไว้เรานั่นแหละที่จะทุกข์เรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนและเราจะไปโทษกระแสน้ำไม่ได้เพราะกระแสน้ำเขาก็ไหลยอย่างนี้มา ชั่วนาตาปีแล้วเราต้องหากที่ไปยึดไปขวางกระแสน้าเอาไว้ให้การไปยึดไปติดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นของหรือคนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาเช่นความคิดหรืออารมณ์ฝ่ายบวกหรือเกียรติยศชื่อเสียงหรือคำสรรเสริญเมื่อใดก็ตามที่เรายึด อันนี้หมายถึงว่าเรากาลังขวางกระแสของธรรมชาติเพราะว่าเรายึดเนี่ยเรายึดเพื่อให้มันเที่ยงเรายึดเพื่อให้มันอยู่กับเราไปตลอดกาลนั่นคือการขวางกระแสน้ำเอาไว้แล้วเราก็จะทุกข์เองเราก็จะเดือดร้อนเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักวางนี่ไม่ใช่หม้ว่าต้อง ทิ้งมันไปนเลยไม่ใช้มันเลยไม่ใช่เช่นเรามีบ้านเรามีทรัพย์สมบัติเราก็ใช้เราก็รู้จักใช้แต่ไม่ใช่เพราะว่ายึดว่ามันเป็นของเราเราใช้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นของที่เราหยิบยืมมาจากธรรมชาติเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้ด้วยใจ ที่เราต้องการไปยึดมันเอาไว้ถ้าเราไปยึดมันเอาไว้เราอาจจะนึกว่ามันเป็นของเราแต่ทันทีที่เรายึดมันเอาไว้เรากลายเป็นของมันอันนี้ฟังดีๆนะของอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่ารูปามนามทมเมื่อเรายึดเอาไว้เนี่ยในใจนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นของเราแต่ว่า เอาเข้าจริงๆเรากลายเป็นของมันไปเราเป็นของมันไปเขาไวายังไงก็คือว่าเราต้องเสียเราต้องยอมทุ่มเทยอมเหนื่อยยากเพื่อจะให้ได้มันมายอมเหนื่อยยากเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้บางคนก็ยอมตายเพื่อไม่ให้ใครมาเอามันไป เรายอมตายเพื่อมันคนจานวนไม่น้อยก็ยอมตายเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเงินเวลามีโจรมาป้นก็ยอมตายเพื่อแม่เขาเออกเอาไปตกลงว่ามันเป็นของเราเราเป็นของมันกันแน่เรายอมตายเพื่อมันได้อ น, นี่แหละเราเป็นของมันไปช่นแล้วเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ทุกข์ เรากลายเป็นทาตมันเหมือนกับวัยรุ่นมีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าราคาแพงๆยี่ห้อดังอาจจะเผลอไปเข้าใจว่ามันเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นของมันคือเวลาของหาย หรือเวลาลืมทิ้งเอาไว้เช่นลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านนี่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัย อ, อยู่ที่ทํางานนี่กระสับกระสายเลยไม่เป็นอันไม่เป็นอันทางานมีแต่ความวิตกกังวลอันนี้เราว่าเราเป็นทาตมันหรือเวลากระเป๋าราคาแพงมันมีรอยขีดรอยขวนขึ้นมาหรือว่ารถยนต์ของลอยมีรอยขีดรอยขวนขึ้นมา โอ้ยแทบจะร้องไห้นอนไม่เป็นสุขเลยกลุ่มอกกลุ่มใจอันนี้เราเป็นเราเป็นของมันไปแล้วนะคือเราเป็นทาสของมันเราเป็นทาสของมันอันนี้พอเราไปช่วยไปยึดมันเอาไว้ว่าเป็นของเราทันทีที่เราไปยึดไปช่วยว่ามันเป็นของเราเรากลายเป็นของมัน ท, ทันทีแล้วเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะมันกลายเป็นทาสของมันไป บางทีตายเพราะมันก็ได้หรือฆ่ากันตายก็เพราะมันเช่นฆ่ากันตายเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติบางทีก็แย่งรองเท้าแย่งโทรศัพท์มือถือกัน้ความยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราทำด้วยความเผลอแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะถ้าเรายึดติดมันไว้เนี่ยเมื่อมันแปลเปลี่ยนมันเสื่อมสภาพไป เราก็จะทุกข์เราก็จะทุรนทุรายแล้วคนเดี๋ยวนี้ทุกข์กันมากเครียดกันมากยาที่ขายดีที่สุดคือยาคลายเครียดตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนี่เขาบอกว่าใบสั่งที่เป็นยาคลายเครียดนี่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตหรือหนึ่งในสี่ของยาทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อทุกวันนี้เรามีสิ่ง ผลเปรอความสุขมากมายเรามีสิ่งอํานวยความสุขมากมายทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยสิ่งที่จะอํานวยความสุขให้แก่เราเรียกว่าความสุขนี่มันกระจายอยู่ทุกอนุอากาศคลื่นความสุขเปิดโทรเปิดวิทยุขึ้นมาความสุขมันก็ออกมาทางวิทยุทันที ทางโทรทัศน์ด้วยแต่ทำไมคนเราเดี๋ยวนี้เครียดมากเหลือเกินทุกข์มากเหลือเกินไม่เคยมียุคไหนที่เราฆ่าตัวตายกันมากเท่ากับยุคนี้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไปยึดไปติด ก, กันมากเกินไปยิ่งมีความสุขยิ่งเจริญในความสุขมันก็ยิ่งเพลินและยิ่งเพลินก็ยิ่งหลงยิ่งหลงก็ยิ่งยึดและเมื่อยึดก็ทุกข์ทันที คนเรานี่มันเพลินกับความสุขได้ง่ายความทุกข์นี่ไม่ค่อยทำให้เราเพลินเท่าไหร่คนเราไม่เพลินกับความทุกข์หรอกแต่มันไปเพลินกับความสุขมากแล้วก็ทำให้ไปยึดไปติดแล้วก็ทำให้ประมาทไม่เตรียมใจที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความสูญเสียล้วเมื่อเราเจอความเปลี่ยนแปลงความสูญเสีย ไม่ว่าจะโดยการอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าโดยการรับรู้ข่าวสารจากเหตุการณ์บ้านเมืองในสิ่งเหล่านี้ที่มันสอนธรรมะให้แก่เราได้มากอย่าไปสนใจเพียงเพราะว่ามันน่าสนใจเพราะมันน่าตื่นเต้นอันนั้นเรียกว่าไปสนองความรู้สึกแต่ไม่ได้สนองปัญญาไม่ฉลาดถ้าฉลาดนี่ก็คือเพื่อช่วยให้เราได้เรียนรู้ เกกับชีวิตของเราเรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปะนิยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวธรรมะควรน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาใส่ตัวอย่างถูกต้องเมื่อไหร่ก็กลายเป็นธรรมะเมื่อ น, นั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็สอนธรรมะให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้จักปรง่งหรือว่าไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่ให้เราเพลินกับความเจริญ ระมัดระวังเมื่อชีวิตของเราอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญไม่ว่าเจริญในทางกายไม่ว่าเจริญในทางทรัพย์ไม่ว่าเจริญในทางสติปัญญาหรือว่าเจริญในทางเกียรติยศชื่อเสียงก็ต้องเตรียมพร้อมนะที่จะรับมือกับความผันผวนโลกนี้มันเต็มไปด้วยความผันผวนเราต้องฉลาด อยู่กับมันได้ยังไม่ทุกข์เหมือนกับลิ้นงูลิ้น ง, ง, ง, งูนี่มันอยู่ท่ามกลางเขี้ยวของอสรพิษแต่ว่าเขี้ยวสรพิษนี่ก็ทํำอะไรไม่ได้ชีวิตเรานี่เหมือนก็อยู่ท่ามกลางอสรพิษแต่ว่าถ้าเราอยู่กลางปากอสรพิษเหมือนก็ลิ้น ง, งูเนี่ยนมันก็ไม่ตายนั่นการที่เรามาเจริญสตินี่นะมันมันช่วยให้เราได้เห็น ถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นถึงความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดหรือว่าสังขารฝ่ายนามธรรมแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นเฉยแต่ว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางได้ด้วยคนเราถ้ายัางปล่อยวางความคิดไม่ได้นี่มันจะปล่อยวางเรื่องอื่นก็กลายเป็นเรื่องยากจะปล่อยวางร่างกายจะปล่อยวางทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นเรื่องยากแม้แต่ความคิดเล็กๆน้อยๆที่เผลอฟุ้งซ่านไ ป, ปก็ยังปล่อยวางไม่ได้ แต่ถ้าเราเริ่มรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะั้นมันยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่นายึดถือเราก็จะเห็นต่อไปว่าสิ่งเท่าไหร่ต้งพวงมันก็ไม่นายึดถือเหมือนกันไม่นายึดถือไม่ใช่หมายความไม่ต้องใช้นะก็ใช้อยู่เหมือนกับเราจะเดินออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้ไฟฉายเราก็ต้องถือมันเอาไว้ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะถือไฟฉายตลอดเวลาเข้าห้องน้ำหรือว่านอนหรือว่ากินข้าวก็ยังถือไฟฉายไว้อยู่ถ้าถืองั้นก็ถือว่างโง่ต้องรู้จักปล่อยบ้างใช้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงเวลาก็ปล่อยเหมือนกับคนที่สวมหัวโขนเล่นละครเล่นโขนเล่นละครถึงเวลาจะขึ้นเวทีก็สวมหัวโขน จะเป็นหัวหน้ากองจะเป็นผู้อํำนวยการจะเป็นเจ้าอาวาสนะหรือว่าเป็นสามีภรรยาเป็นครูบาอาจารย์บางทีมันก็เมือกสวมหัวโขนขึ้นเวทีเวลาลงจากเวทีก็ต้องถอดหัวโขนซะไม่ใช่ว่าจะเอาหัวโขนใส่ขึ้นไปตลอดเวลากลับบ้านก็ยังสวมหัวโขนอยู่หัวโขนนี่เราเรียกว่าสมมุติสมมุติสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ รวมนั่งสมมุติวันนี้ของเราบ้านของเราบ้านของเรารถของเรา น, นี่สมมุติทั้งนั้นเพราะจริงๆมันไม่ใช่ของเราสักอย่างเราคุมไม่ได้สักอย่างเราบังคับมันไม่ได้สักอย่างเั็นใช้สมมุติให้เป็นถึงวเวลาก็วางได้ถึงวเวลาก็ถอดออกมาได้พอขึ้นเวทีก็สวมใหม่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระพวกนี้มันเป็นสมมติคือหัวโขน ถ้าใช้ไม่เป็นก็ทุกข์เป็นพ่อเป็นแม่ลูกไม่เชื่อฟังก็ทุกข์ลูกพอเริ่มโตแล้วไปใกล้ชิด ก, กับเพื่อนมากแม่ก็ทุกข์พ่อแม่อยากจะให้ลูกใกล้ชิด ก, กับตัวเหมือนเมื่อก่อนหเห็นลูกนี่มีไปเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าแม่แม่ก็น้อยใจอันนี้ก็เรียกว่าก็ทุกข์นะทุกข์เพราะว่าไปยึดติ ก, กับความเป็นแม่มากเกินไปมาปฏิบัติธรรมก็ทุกข์คิดถึงลูก ตอนนั้นที่ทําอะไรไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกไปคิดถึงเขาทําไมเนี่ยอันนี้มันต้องรู้จักวางบ้างเ้ารู้จักวางบ้างอันนี้ก็เรียกว่าฉลาดเกี่ยวข้องกับสมมุติเกี่ยวข้องกับหัวโขนให้มันเป็นแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงเพราะการที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวาง